วันนี้เป็นวันสมาทานสินของพวกเราเป็นวันขึ้นขึ้นวันแรวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้าตั้งแต่เข้าบรรษามาหนึ่งเดือนพอดีวันนี้เป็นวันรักษาอุโบสถเดือนหนึ่งมีอยู่สี่ครั้งเป็นวันอุโบสถสมาทานสินแต่นี่ก็เป็น สิลที่สของพวกเราที่เข้าพรรษามาคือพวกเราตรงพอมั่นใจว่าพวกเราคงจะสมาทานสินจะรักษาสินทุกวันพระในพรรษาหรือว่ารักษาศินอุโบสถทุกวันพระในพรรษาหรือจะรักษาศินห้าทุกวันพระในพรรษาก็คงจะมีแล้วก็ผู้ที่จะสมาทานสินตลอดไตรมาสสมเดือน คือรักษาศีลห้าหรือรักษาศีลอุโบสถก็คงมีเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันอุโบสถรักษาศีลอุโบสถของพวกเราขอให้พวกเราคณะทุกท่านที่ได้ตั้งใจสมาทานศีนแล้วนั้นอย่าให้ขาดตกปกพ่องให้ศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เมื่อเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐาน ล, ลงไปแล้วอย่าให้ขาดตกปกพ่องที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่านี่คือยกหนึ่ง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 นี่แหละอันนั้นก็คือคุณงามความดีทั้งนั้นอ่ะท่าว่าเราขาดแล้วก็ขาดไปเลยทะลุไปเลยขาดไปเลยสินด่างพลอยไปเลยอันนั้นไม่ดีสินขาดเหมือนกับผ้าขาดถ้ามันขาดแล้วก็ไม่ปะไม่ชนมันก็เป็นรูโวอยู่อย่างนั้น่ะมันไม่น่าดูท้าว่ามันขาดไปแล้วเมื่อเราไม่ได้รักษาสินที่มันขาดไปแล้ว เ, เราก็มันขาดไปแล้วชนนั้นเราคอยกลับมาปะมาชนใหมอ่อีกมาเย็บใหมอ่อีก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 มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะต้องเอาน้ําขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางให้มันเกิดประโยชน์เนี่แหละถ้าหาว่ามันไม่เกิดประโยชน์เราไปทําไปทําไมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ฝากไว้กับพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาร่วมกันรักษาศีลในวันนี้ตละ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะและตอนน่อไปหลวงพ่อจะได้กล่าว สัมโมโธนิยคาถาและ ว, วสิ่งที่ควรพวกเราควรจะรับรู้รับทราบเพื่อเป็นการศึกษาให้แก่ทณานศรัทธา ญ, ญาติโยมวันพระหนึ่งพวกเราจึงจะได้มาวัดหรือ น, นันนานบางท่านก็นานๆานได้มาวัดเมื่อมาถึงวัดแล้วก็ควรจะได้ยินพระสงฆ์หรือว่าครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ข้างในคืออยู่ในวัดจะได้แสดงความคิดเห็นและว่าแสดง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 บริษัททางร้านอันนี้ก็คือพวกเราเป็นพศทธบริษัทคือเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มผู้ที่อยู่ข้างในอย่างพระสงฆ์ใช่ยูนิฟอร์มเรียกว่าชุดพระสงฆ์อย่างพวกเราเห็นชุดพระใส่ผ้าจีบอนอันนี้ก็คือเป็นผู้นำเป็นผู้อยู่เบื้องในเป็นแก้วของหรืยว่าเป็นผู้อยู่ดูแลบริษัทอย่างใกล้ชิดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็อยู่ข้างนอก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 ไม่มีตัวหนังสือแต่หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นเรียนมาจากใครท่านก็มีครูบาอาจารย์ของท่านเหมือนกันแต่ที่สมัยนั้นไม่มีตัวหนังสือบันทึกเพราะท่านอยู่ในป่าโรงพงไผ่จากนั้นเมื่อมาถึงหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นเป็นยุกที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอยากองค์หลวงต า, าครูบาอาจารย์ุยุกนี้สมัยนี้ท่านบันทึกข้อความจากนั้นก็เลยมีตัวหนังสือขึ้นมาให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษา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 หลวงปู่มั่นเคยมาแถบนี่นะแหละแถบอำเภอบ้านผือแปลว่าทุกหัวไหลแห่งของภาคอีสานท่านมาอยู่บ้านคอนานาลายท่านก็เคยมาจำํำรรษาดูสิทางเวียงจันทร์ท่านก็เคยไปแล้วก็นี่น้ำตกจุงทองนะอยู่ใกล้ๆเราเนะี่ถ้ำหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นทําไมมาอยู่ขนาดนี้แต่ขนาดนี้ก็เกิดเมื่อไม่นานมาเนี่เมื่อ10บสบกว่าปีให้หลังใครจะขึ้นอยากจะขึ้นไปอยู่ตรงเนี้ยนะ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 จะหาทางออกไม่ได้ถ้าพวกท่านไป น, นั่งอยู่ในป่าลงพงไผ่นั่งอยู่ในถ้ำในที่สงบตามลําพังนั่งกันกลองไตรตรองพิจารณาทมด้วยใจของท่านพวกท่านจะมีทางออกพวกท่านจะรู้พวกท่านจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารนี่แหละคืออันนี้หลวงปู่มั่นท่านก่อนแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราชนะศรัทธาญาติโยมยังมีภารกิจธุรกิจยังมีบ้านเรือนมีที่พัก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 ในทำคําสอนท่าก็เอาพระธรรมคําสอนของพระพนะุทธเจ้ามาบอกกล่าวอีกต่อหนึ่งพระท่านได้รู้ได้เห็นแล้วว่าอันนี้คือหนทางหนทางไปทางหายนะไปทางต่ําเป็นอย่างนี้ถ้าหาว่าปิดตัวนี้ซะถึงพวกเราจะมีหน้าที่การงานทําการทํางานก็ให้มีศีลและธรรมอยู่ในจิตในใจพวกเราปิดศีลแลธรรมในจิตในใจแล้วอทั้งการงานเราก็ไม่ขาดตกปกพ่องทั้งศีลและธรรมก็ไม่ขาดตกปกพ่องถ้าเมื่อเรา ละโลกหรือว่าจากโลกนี้ไปต้องได้จากแน่ๆนะไม่คิดว่าใครจะไม่จากไม่ใช่ดังนั้นคิดปิดจะแล้วต้องคิดใหม่พวกเราจะต้องจากโลกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อจากไปเนะืมันไม่ศูนย์อันนี้ก็คือท่านได้ศึกษามาแล้วเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนลูกศิษยานุศิตจังหวะนอกจากนั้นให้ภาวนานะเนอะเมื่อรักษาศีลเสร็จแล้วให้ภาวนาทาจิตใจให้สงบ ถ้าอยู่ในบ้านในเรือนของว่ายพระสกอรเมื่อว่ายพระเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีอย่างน้อยสักฆ่านาทีก็ยังดีแต่ละวันหาโอกาสือวันหนึ่งคืนหนึ่งยี่สสี่ชั่วโมงนั่นเราจะไม่มีเวลาขนาดนั้นเชียวเหร อ, อถ้าว่าไม่มีเวลาเเลยก็แสดงว่ากิเลสภายในใจของเราโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจของเราเอาไปกินหมดไม่มีรำ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 ก็มาสู่จิตใจของเราอย่างน้อยก็ไหว้พระรักษาศีลแล้วก็นั่งภาวนาภาวนาอย่างน้อยก็ห้นาที10บเป็นทีพุทโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนั่งสมาธิเหมือนพระประธานนั่งถ้าพระประธานนั่งยังไงเรานั่งอย่างนั้นแหละเราไปกลับไปถึงบ้านเวลาเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งเนี่ยแบบพระประธานนั่งเมื่อนั่งเสร็จแล้วเราก็บริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธง่ายนะ ไม่ต้องมีคันหา้าไม่ต้องขึ้นคูขึ้นคลายอะไรทั้งหมดแนละ้พอนั่งคัดสมาธิแล้วก็ บ, บริกรรมพุทโธพุทโธแต่ว่าต้องเลือกสถานที่ไม่ใช่ว่าคนวุ่นวายอยเราไปนั่งมัน ไ, ไม่ได้เราต้องดูในมุมสงบ เ, เ, เขาหลับเขานอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาปิดวิทยุโทรศัศน์แล้วโทรศัพท์ของเราก็ปิดเอกไม่ให้มีเสียงในช่วงนั้นมันจะรวยมันก็รวยมันจะจนมันก็จนนั่ น, นแหะเราปิดไว้ก่อนอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกจนเกิดไปปิดไว้ จ่ากนั้นก็นั่งภาวนานพุโทโธพุโทโธพุโทโธได้กำหนดแล้วยังค่อยออกมาจากสมาธิอันนี้แหละเป็นการฝึกหัดทางด้าน จ, จิตใจอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนสำหรับสัทธายาตโยมสำหรับฝ่ายพระสงฆ์แล้วไม่ต้องมากกว่านั้น เ, เวลากลางวันออพอฉันยังหันเสร็จแล้วนะถ้ามีโอกาสไปเดินโยกมนั่งสมาธิหามุมสงบหาที่สงบสงัดหาที่หลีกเล้นภาวนา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 เชื้อกษัตริย์ดและเชื้อพราหมณ์มีวงศาขนาญาติมากพอบวชแล้วก็มีบริวาร เ, เป็นมีมีแนวความคิดในทางแนวแถวเดียวกันคนถึงจะมีมากขนาดไหนก็เอถอะทามันไปคนละทิศทางแล้วก็คือมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกออคนหนึ่งอยากจะเที่ยวคนหนึ่งจะไปภาวนาเมันเข้ากันกันไม่ได้แต่ทุกคนอยากจะภาวนาอยากจะสาะแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยกันมันเข้ากันได้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 500 อ, องคเ์เมื่อฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยก็เออปัพวกเราเข้าป่าหาภาวนาหามุมสงบจากนั่งก็เดินหาเที่ยวไกลไปตึงไกลไปตึงร้อยกว่ากิโลจากวัดป่าเชิตะวันพอไปก็ไปในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนั้ น, นก็ติดติดป่าดงป่าดงเรียว่าไพ่ศนก็ว่าไพ่ศนคือเป็นป่าที่หนาแน่น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 เออถ้าอย่างนั้นศรัทธา ย, ยาดยพาไปดูสิตรงที่ภาวนาเนี่ยเป็นยังไงหัวหน้ากับคณะเขาก็พาออกไปไปดูเข้าไปในป่าใหญ่ป่าดงป่าไผ่สนอ่ะไผ่สนก็จะเป็นป่าที่เหมาะแก่การภาวนาดูทำเลน้ําอะไรพร้อมพระสงฆ์เหล่านั้นก็เข้าไปพ่อเข้าไปเขาก็จัดเ ส, สนาธนให้ก็ต๊อปกะแต๊บไปตามมีตามเกิดของเขาน่ยเขากระจัด ให้เป็นที่พักของพระสงฆ์แต่นี้พระสงฆ์ท่านก็ไปภาวนาแหละท่านไปพอภาวนาในป่าท่นี้นี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราให้ฟังเอาไว้ว่าในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วเทวดามีไหมภูมิลุขะเทวดามีไหมผีมีไหมพูดพดง่ายๆนะผีมีไหมคือถ้าว่าพวกเราเห็นว่าถ้าหากว่าที่อพวกเรามองไม่เห็นตัวพวกเราว่าผีที่ทั้งหมดแต่ตามไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ผี คล้ายๆกับว่ามันเป็นมันเป็นภูมิแต่และภูมิภูมิมะเทวดาคือพวกที่อยู่บนสังก้อนหินแล้วมังโคนหินเรือว่าจอมปลวกเรือกว่าทำเลที่เนินที่ดูแลที่เนินที่ที่อยู่บนดินอันนี้เราภูมิเทวดาลุขะเทวดาคือพวกที่อยู่ต้นไม้อันนี้ลุขะเทวดาอากาศธาตุเทวดาอยู่ในในอากาศ และก็สวรรษชั้นจาตูมตุชิตายามาตวติงนิมารติสวรรษหกชั้นอันนั้นก็คือสวรรค์แต่ที่พระสงฆ์ท่านเข้าไปอยู่ในป่าเทวดาภูมมะเทวดาลุขะเทวดาอยู่ในบริเวณนั้นอยู่ในวัดของเราหนึ่งหลวงพ่อว่าต้องมีภูมะลุคะเทวดาเพราะนั้นท่านเข้าไปไปภาวนาในป่าพอเข้าไปเลยเทวดา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 เคารพกราบไหว้พระผู้ทรงศิลพอต่อมาทีนี้เทวดาก็คิดว่าเออวันพรุ่งนี้พระคุณท่านคงจะไปละมั้งไอ้พวกเรายังค่อยขึ้นบนปราศาสตรของพวกเราที่พักของพวกเราแต่นี้พระสงฆ์ตอนเช้าก็ไปบินเทวดพอบินเบวตาก็ ก, กลับมาอีกถึกลับมาอีกวันพรุ่งนี้ท่านคงจะไปมัง้งศรัทธาญาติโยมคงจะนิมนต์ท่านให้อยู่พอที่ได้อยู่ไปอยู่ไปพระสงฆ์ไม่ไปถึง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 พอในสุดเทวดาก็ปรึกษากันเลยดิลูกขะเทวดาปรึกษากันเอเราจะให้พระสงฆ์เหล่านี้ออกไปยังไงนั่นนะวางแผนนั่นเลยทีพอต่อมาเนพระสงฆ์เหล่านั้นกับภาวนาอยู่ในป่าของใครของเราเงียบสงบเอี่ยบางทีทเทวดาเหล่านั้นก็ได้ยินเสียงพูดพุดพดพดพดพมพุมพ่มผอมอมขึ้นมาอ่าพวกนี้ก็ได้ยินเอ๊ะเสียงอะไรพระสงฆ์ก็คิดอะไรฉันไม่อยู่ในป่าโอ้ผมกลัวอยากรู้ใช่ไหมเพยเป็นพระปุตุชนอยู่ใช่ไหม แต่ได้ก็ไปเห็นทางใน้ยังกรมก็เห็นผีคอขาดที่พินหัวขาดเอ้ามันเชื้ออะไรหรอวะอ๋อคนนั้นคอเห็นองค์นี้คอเห็นเธอเดีเห็ น, น, เ, เ, หนเห็นสิ่งแปลกแปล อ, อในสถานที่พักของตนเองจากนั้นก็พระสงฆ์เหล่านั้นก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาคนนั่นก่อจามคนนี้ก่อไอเธอเวในส่วนเลยพระสงฆ์ไม่มีความผาสุกในการเป็นอยู่จําพรรษาสามเรือนั้น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 พระพุทธองค์ก็บอกเอไปไปกลับไปภาวนาที่เก่านั่นแหละเนี่ยพระสงฆ์ก็โอ้จะให้พวกข้าพระองค์ไปเหลือพวกใครๆว่ายังหวาดยังกลัวอยู่งั้นเออไปนะไปภาวนาจุดนั้นละงั้นพวกท่านจะได้กำลังจากนั้นพระสงฆ์ก่อนเชื่อในพระธรรมคําสอนใช่ไหมเนี่พระพุทธองค์บอกให้ไปก็ต้องไปไม่ไปได้ยังไงพราะครูให้ไปเนยครูให้ทํำยังงก็ต้องทําเพราะศรัทธาอยู่ในใจอยู่แล้วเหตุจากนั้นพระสงฆ์ก่พระพุทธองค์ก็ให้ เรียนาการณียเมตตาสูตรแล้วก็ให้มีความตั้งใจมั่นในใจก่อนที่จะพวกท่านจะเดินไปเดินไปเนี่ยให้สวดสาธยายนี้ไปด้วยนะแล้วก็เมื่อไปถึงแล้วให้พวกท่านทั้งหลายมีความเชื่อมั่นมีความก ล, วกล้าในตัวของท่านเองอย่าไปอ่อนแอปวกเปียกคล้ายๆว่าเรามานี่เพื่ออะไรเราไม่ได้มาเพื่อ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 ร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงนะอีกสักวันหนึ่งนะไม่วันไรก็วันหนึ่งจะต้องแตกต้องฉลายลงสูง่ดินน้ําลมไปเพราะฉะนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายให้พิจารณาให้ปล่อยว่าให้เอาชนะกับพยามานพยามาลคําว่าพยาบาลคล้ายๆว่ามา น, ะะมานตัวนี้คล้ายๆวะ่าร่างกายสังขารเป็นของเราเนี่ยมา น, นมันยึดนะให้พวกท่านทั้งหลายเอาชนะมนันคืออย่าไปคิด ยึดมั่นถือมั่นร่างกายว่าเป็นของเราจากนั้นเมื่อพวกท่านพิจารณาดูแล้วให้ปล่อยวางเลยพอเอาชนะแล้วให้ปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกต่างหากเยลยในธรรมคำสอนของพระพุเทธเจ้านท่านแนะนําสั่งสอนพระสงฆ์ในเมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายว่าเป็นของไม่รังท้าวอนแล้วให้ปล่อยวางที่ใจว่าร่างกายสังขารเนี่ยเป็นอันใดจังของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์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 อย่างที่หลวงพ่อได้พูดสิ่งภายนอกมีไหมในครั้งพุทธกาลเนีพราะพระุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธว่าเทวดาไม่มีภูมิมะลุกขะเทวดาไม่มีไม่ใช่มีแต่เขาก็ อ, อยู่ตามของเขาคล้ายๆกับอยู่ในกลุ่มของใครของเรามนุษย์ก็อยู่ในกลุ่มของมนุษย์สัตว์ที่รักฉก็อยู่ในสัตว์ทีรักฉปลาก็ายังเป็นปลาพวกแมลงผู่แมลงพึ่งก็เป็นกลุ่มของใครของเราอันนี้มันอยู่ในโลกนี่ก็เหมือนกันน่ย พวกเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรพวกมุ่งหวังแต่ความพากยาสุขรละพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารแต่จัดถึงอย่างไรจึงจะถึงแดนพิพานตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะในวันนี้เป็นวันพระหนึ่งเดือนพอดีครบเดือนพอดีครบดื อ, พอ ด, ดอพอดีเดือนหนึ่งเพราะนั้นขอนึกย้อนหลังด้วยซิว่าข้าพเจ้ารักษาศีล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 เสื้อขาดผ้าขาดมันก็ไม่ดีเป็นรูโวอยู่ยงั้นไม่ดีนะเมื่อมันขาดแล้วก็ปะชุนใะเย็ยบให้ดีให้เรียบร้อยนั่นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะคานาสัตยายาดโยมทุกหมู่ทุกเราตั้งอกตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนะี่ยพระสงท่านภาวนาเห็นเห็นร่างกายเนี่เป็นเหมือนกับภาชนะดินภาชนะนี่คือจานดินหม่อน้ำํำคูดินกระปองดินโอ่งน้ําดินพร้อมที่จะแตกได้ทุกเวล่ำเวลา ไม่ได้บอกเวลาว่าจะแตกนนั้เดือนนั้นปีนี้มันพร้อมที่จะแตกร่างกายของเราก็เหมือนกันเนีพระพุทธเจ้าท่านพระสงฆ์เหล่านั้นท่านเห็น อ, อนิจจังต่างกายเป็นเป็นร่างกายเหมือนกับภาชนะดินพระพุทธเจ้าก็เสื่อมวชายร่างกายเหมือนภาชนะดินจริงๆพระสงฆ์ทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไวน้นานนี่แหละอันนี้คือทำความสอนของพระพุทธเจ้าเตือนพุทธบริษัท4อย่างพวกเราท่านทั้งหลาย ตอตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอ่อน